ความสุขความเจริญจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งทำจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมประจาวันจันจ น, นี้คงพูดเรื่องพระพุทธศาสนากับสถานการณ์ต่อไปเมื่อวังกรได้แยกประเด็นขอ ง, ง, งสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วก็เป็นเช่นนั้นมานานแล้วด้วยคือความวิกฤตในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ตลอดถึงโลกแล้วก็ส่วนปจัจเทกชนก็เลยมาจนถึงงงปัญหาทางศาสนานัวอย่างนั้น ก็มีสาเหตุหมายความว่ามีสมุทัยด้วยกันจะว่าการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้จะเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายนั้นก็มีไม่มากยางที่บอกว่าปัญหาบางอย่างมันเป็นปัญหาทาวอนคือเราแก้ยังไงมันก็ตอบสนองความต้องการของคนไม่ได้ พราคนกุน่มหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่อิ่มไม่พอจึงไม่หยุดไม่หยุดบน่นพูดง่ายว่าข อ, ของแพงก็บน่นของแพงก็บ่นพอซื้อของคนอื่นพอของแพงก็บน่นพอตัวเองขายคนอื่นพอของถูกก็บน่นเลยไม่รู้รจะเอายัางไงเพื่อนถามว่าพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เหล่านั้นอย่างไร ก็แท้จริงเขวเกี่ยวข้องทุกเรื่องเพราะตําบดมันเป็นกระบวนการของธรรมะที่เป็นปัญหาบ้างเป็นสาเหตุของปัญหาบ้างเป็นความไม่มีปัญหาบ้างแล้วก็เป็นเหตุที่ช่วยให้ไม่มีปัญหาบ้างตัวตัวอย่างก็อยู่ในโครงสร้างของอริยสัจทุสีประการ พระพุทธศาสนากับเรื่องของธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่ในโลกเราจะพบว่าพระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลมุจักคุณค่าของธรรมชาติผู้เจ้าสอนเราว่าชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยประกอบด้วยธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธ า, าตุลมธาตุไฟแล้วก็อากาศธาตุ แล้วก็วิญญาณธาตุทรงใช้เอาดินน้ำลมไฟอากาศมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะมากมายกลายกองแล้วก็สอนทุกรูปแบบายความก็นในแง่ของทุกข์กษัตริย์ก็สอนให้กำหนดรู้บาระดับก็ใช้เป็นอารมณ์ของกรารมักฐานเรียกว่ายาตุพาตประวัติฐาน เดี๋ยวาตสี่มาเรียนก่อนแล้วก็พอบรรลุรูปฌานสีก็ขึ้นไปศึกษาเรื่องอากาศไปศึกษาเรื่องวิญญาณก็หมายความมาเอาธาตุทั้งหกเนี่ยมาศึกษาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานแล้วในขณะเดียวกันก็ส่งสอนในฐานะที่มันเป็นเทศให้เกิดผลในทางลบคือเป็นทุกข์ เพราะว่าเราไปยึดมันม่นถือมั่นการเกาะกลุ่มรวมตัวของดินน้ําลมควายอากาศที่กลายเป็นสังขารทั้งหลายในโลกีจริงๆมันก็เป็นการรวมตัวของดินน้ําลมควายอากาศมีวิญญาณบ้างไม่มีวิญญาณบ้างแต่ว่าห้าธาตุแรกมันก็อยู่ในสิ่งทั้งหลายในขณะเดียวกันก็ ส่งสอนให้เข้าถึงความจริงที่เราเรียกว่านิยามหรือกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติเราเกี่ยวข้องกับเขาเราต้องยอมรับความจริงตามที่เขาเป็นหรือเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเห็นว่าพีจ น, นยามคือชนิดประเภท่สายพันธุ์เชื้อสายของคนของสัตว์ของสิ่ง ก็เป็นเขาอย่างไงก็าเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงในเชิงที่เป็นเนื้อหาเช่นต้องการเอามะนาวมาเป็นมะม่วงนี่มันไม่ได้เอาหมากมาเป็นมะพร้าวนี่ก็ไม่ได้ทุกอย่างมันก็เป็นในที่มันเป็นมะพร้าชนิดใดพันธุ์ใดมันก็เป็นตามสายพันธุ์ของมัน น, นี่เราต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นของมันอย่างนี้เองธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ในขณะเดียวกันก็ท่ส ง, ส ง, สงส่งสั่งสอนให้ศึกษาในแง่ของอุตุนยิยมในลักษณะของฤดูอากาศภูมิอากาศภูมิศาสตร์ในของท้องถิ่นต่างๆสภาพแวดล้อมของสิ่งต่างๆซึ่งมัน มีความยึ่งย a อนแตกต่างกันทั้งหนาว ท, า ท, างงทาั้ง ร, ร้อนทั้งเย็นทั้งอบอุ่นอะไรต่างๆเราจะเห็นว่ามันก็มีความแตกต่างกันเมื่อเราต้องเกี่ยวข้องกับเขาเราต้องปรับตัวเองให้อยู่ได้กับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและประการที่สามก็คือเขาเรียกว่าจิตนิยามคือ การคิดของจิตธรรมชาติของจิตจิตแปล ว, ว่าคิดอารมณ์แล้วก็สะสม อ, อารมณ์จิตจึงทำหน้าที่รับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งห้าแล้วก็ทำหน้าที่จําอารมณ์ทั้งห้าเหล่านั้นไว้ภายในใจก็จัดเป็นเจตสิกธรรมเป็นขันธ์อย่างหนึ่งในขันธ์ห้าก็คือสัญญาขันธ์ ในขณะเดียวกันจิตก็สะสมจึงที่ผ่านมาทางภาษาสัมผัสนั้นแหละมากบ้างน้อยบ้างแต่สรุปว่าเป็นประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและธรรมชาติก็ทรงสอนให้เข้าใจในกระบวนการทางจิตมีการกศึกษาเรื่องจิตก็เรียกว่าเรื่อง เป็นอันมากในพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องจิตจนถึงกพูดว่าทุกอย่างรวมลงสี่จิตรวมลงที่จิตดวงเดียวขณะย่อมเปลี่ยนแปลงไปในเวลาที่รวดเร็วก็บางทีก็จำแนกไว้ในพวกอภิธรรมในประกอบพระไตรปิฎกสิบสองเล่มศึกษาเรื่องจิตอยาจะจาสิกรูพิพาังจิตจะมากกว่าเพื่อน เยตสิกรองลงมารูกรรองลงมานิพานก็ไม่มากแต่ประกอบเป็นเนื้อหาถึงสิบสองเล่มพระไตรปิฎกแล้วก็พร้อมด้วยอภิธรรมมัตสังกหะอภิธรรมมัตภาวินีอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องทีเกียรติจิตแต่ว่งางานพระจิตมันก็มีอยู่สี่เรื่องใหญ่ๆคือรับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประส า, าสัมผัสแล้วก็จาอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ แล้วก็คิดพัฒนาความคิดขึ้นไปคิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบแล้วก็ทำหน้าที่รู้อารมณ์เป็นการรูปแบบจำเราเรียกว่าสัญญารู้จ่แจ้งขึ้นเรียกว่าวิญญาณรู้จริงก็คือปัญญาหรือปรัญญาก็แล้วแต่เรียกทิชชน่าอาจจะเรียกทิชชีก็ได้ แต่ว่าคนที่มีทิฏฐิสมบูรณ์เนี่ยมันต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันนอกจากว่าทิฏฐิสมบูรณ์เนี่ยศรัทธาท่านสมบูรณ์ด้วยการที่ทิฏฐิสมบูรณ์ก็คือปัญญาสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ระดับพระโสดาบันเพราะปัญญาที่เป็นสมบูรณ์เดิมที่เนี่ยตอนพระอราหันต์ไม่เค่สมบูรณ์ตรงนี้พระโสดาบันจึงเรียกว่า พิทีสัมปันโนแปลว่าสมบูรณ์ด้วยความเห็นแล้วก็เป็นผู้มีศรัทธาสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยศรัทธาในขณะเดียวกันก็ศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณแล้วก็ปริมาณของปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำหน้าที่ขจัดสังโยชน์ได้สามประการ นั่นก็คือเป็นกระบวนการทางจิตทั้งหมดทีนี้มนุษย์คิดแล้วถา ม, มนุษย์คิดแล้วก็พูดมันก็เรื่องอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องกรรมเราจะเห็น ว, ว่าจิตเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะแต่เราคุมจิตได้ในกรรมมันจะเป็นกุศลมากกว่าอกุศล แต่ว่าตามปกติแล้วคนจะอยู่ในอำนาจของจิตและจิตมีอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสันจิตคนมันก็เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวหไปตามกระแสของกิเลสเนี่ยเป็นส่วนมากผลกรรมนิยามก็คือเจตนาที่บงังเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคล เนี่ยได้คนคิดคนทำคนพูดออกไปตามเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นดีก็ได้เป็นดีก็ได้กลางๆ ก, ก็ได้และสรุปรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมารวมอยู่ที่ธรรมิยามหรือกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาที่เราเราคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพลาสูญเสียเราไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ โดยสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปรุงเป็นทุกข์ทำต้งปรงเป็นหน้าตาเป็นต้นเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมนิยามเขาเป็นของเขา อ, อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้น Hall, รราาหรือไม่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจะทรงประกาศชี้แจงหรือไม่ประกาศชี้แจงก็ตามการที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายั้งปรงเป็นทุกข์ทำต้องปรุงเป็นหน้าตานั้นเป็นเขาเป็นของเขา อ, อ, อยู่อย่างนั้นตลอดไปนี่เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกันเราลองสังเกตว่าเราไม่ใช่มีลักษณะของเทวนิยมแต่ว่าความจริงทั้งหลายในโลกนี่ม่เป็นอย่างไงพระเจ้าก็ทรงแสดงอย่างนั้นเรามีปัญหาเรื่งโลกร้อนแต่ถ้าเราตั้งปัญหาถามว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ท่าทีที่ถูกต้องระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไว้อย่างไง มันจะออกมาในรูปของเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันพรษษะศานาห้ามพระตัดต้นไม้เคยึ้ น, นตัดก็ปรับปาบัดเลยเลินพระไปอยู่ในป่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าท่านไม่สามารถตัดต้นไม้ได้ก็ไปก็อนุรักษ์ป่าแล้วก็ ในขณะเดยียวกันก็การรักษาสภาพแวดล้อมเช่นไม่ทิ้งของสกปรกลงในน้ำในของสุดเขียวหรือทิ้งของสกปรกลงไปในบริเวณกุฏิบริเวณวัดก็มีการอนุรักษ์ธรรมชาติให้ความเคารพยำเกรงต่อธรรมชาติสานึกคุณของธรรมชาติ อย่างที่พระเจ้าแสดงความสำนึกคุณของต้นประสีมาโผจีพระองค์ประทับนั่งตรัสรูแล้วก็มีหลักคําสอนเปน็นมากเช่นในชาดดแสดงไว้ว่าบุคคลนั่งนอนภายใต้ร่รมเงาของพุทธาชาติใดไม่ควรหากทำลายกิ่งของพุทธาชาตินั้น เพราคนกระทำเช่นนั้นเป็นการประทุษรายต่อมิตรคนประทุษรายต่อมิตรนั้นเป็นคนเลวนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนิยามทั้งหประการของธรรมะทั้งหมดนะะคือสรุปรวมอยู่ที่นิยามนหประการใน ต, ตัวการใหญ่ก็คืออยู่ที่กฎคือหมายความว่านิยามเนะี่ยมันเป็นกฎ ยามสี่ประการเนี่ยมันเป็นกฎเราทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ถ้าเราทําก็เป็นกรรมทําดีก็เป็นกุศลกรรมทําไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมในการตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยเป็นอกุศลกรรมเป็นงานกระทําด้วยความโง่ไม่ฉลาด ที่จริงหลักการน้ําพึ่งเหลือเสือเพิ่ปลาแต่ อ, อย่างพระป่าปกป่าโรคพลาเสืออย่างดินเย็นพระ้าบางยาอย่างพอดินเย็นเรแสดงว่าคนกัธรรมชาติเต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันเราก็มีการศึกษาเรียนรู้แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเราเแต่ละเลยทอดทิ้งในเรื่องตรดนี้แล้วโดยเฉพาะอยิง่งกับคน คำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมดมันสรุปอยู่ที่คนพุะเจ้าทรงแสดงว่าพิสูทั้งหลายตถาคตตถาคตบัญญัติโลกความเกิดของโลกความดับของโลกและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับของโลกที่สกลกายซึ่งมีความยาวประมาณวันหนึ่งมีความกว้างประมาณกมารหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่งซึ่งมีใจครองนี้เองไม่ได้แสดงที่ใดเลย เวานคำสอนในพุทธศาสนาจึงเป็นระบบพัฒนาคปนปัฒนาสังคมก็ดีเศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีคือสังคมจิตวิทยากะไรการทหารก็ดีนี่นะครับถ้ากาเราเอาหลักธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องนั้นๆ้เข้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยจิตเริ่มเร่มต้นที่ว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องมนุษย์เราเกิดมาจากอาวิชชามนุษย์ก็มีความโน้อยู่ทุกคนนะครับใครจะโน้ในเรื่องอะไรมากน้อยเท่าไร่เนี่ยก็เป็นรายละเอียดแต่สรุปว่าเรามีเรื่องไม่รู้อยู่ทุกคนแล้วก็มีอยู่ทุกวันที่เราไม่รู้ก็หมายความว่าอาวิชชาอ ย, ย่างไม่หมดไปจากใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระอระหันต์เพราะการศึกษาเรียนรู้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญ คนที่บวชมาในพระพุทธศาสนาหลวงปู่ชายา บ, บอกอนุาสาวร์ตอนปลายก่อนจะจบพอศึกษาในเรื่องศีลในเรื่องสมาธิและเรื่องปัญญาด้วยความไม่ประมาทให้ศึกษาสามเรื่องเพราะในชั้นศีลเองถ้าเรากล่าวโดวยเนื้อหานะครศีลเนี่ยเป็นเรื่องการยอมรับนับถือสิทธิของกันและกันแ ล, นแล้วไม่ร่วงละเมิดกัน เหตุสำนึกที่เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการล่วงละเมิดกันละกันเห็นคุณของการให้ความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพหรือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ก็แล้วแต่เราจะพูดแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดกันเรามีความเป็นเราเป็นเขาแต่ว่าเราเคารพวามแตกต่าง รู้จักบริหารแตกต่างจัดการกับความแตกต่างไม่เกิดเป็นความแตกแยกปัจจุบันกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เรามีความแตกแยกแตกต่างกันมากวันก่อนมีข่าวสวไปอะไรหรือฟ้องศาลอะไรไม่รู้เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ เรารู้สึกว่าซอว์อลชุดที่แปลกโดยเฉพาะที่มาจากการแต่งตั้งมีความคิดมีพฤติกรรมที่แปลกคือเข้ามาถึงก็ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลตั้งตัวเป็นขวายค้านรัฐบาลป ฏ, ป, ปฏิปักษของรัฐบาลรู้สึกจะฟ้งร้องในกรณีนี้แหละในกรณีของ เขาปริวิหารอะไรต่ตางนี่ก็เป็นคนที่ออกมาจากป่าตอนนี้ก็อายุน่า ม, มากขึ้นแล้วก็อยู่แต่แถะปลอก5้าชิต้นๆแล้มีความคิดฝันแปลกแล้แสดงว่ายังไม่ละความคิดเดิม ที่มองคนอื่นเป็นศัตรูนะก็ตะโกนข้ามันข่ามันข้ามันสมัยคอมมิวนิสต์มาแรงเขาประกาศฆ่าเนี่คนไทยทั้งนั้นนั้นก็ให้เราสังเกตว่าถ้าเรามีศีลอยู่ภายในใจมีการเคารพกัน เคารพสิทธิในชีวิตเคารพสิทธิในทรัพย์สิสนของกันอะไกันแล้วไม่ล่วงแล้ะมึดกันยังไม่ถึงธรรมะนะเอาขนาดสีเนี่ยมันก็ไปได้ทีนี้ในระดับธรรมะเนี่ยเราจะพบว่ามันก็มีความเป็นเราแต่เราไม่ใช่เป็นเขาและมีพวกเรากับพวกเขาไม่เรากับเขา มีเรากับพวกเรานะฮะแล้วก็มีของพวกเรากับของของเรากับของพวกเราจะลองว่าในโลกในส่วนของสังคมก็คือเรากับพวกเราในส่วนธรรมชาติก็คือของเรากับของพวกเราหรือของแผ่นดินมันไม่มีอะไรที่เราล่วงละเมิดได้เลยในโลกนี้ เพราะว่า น, นอกจากที่เป็นของเราแล้วก็ของพวกเราทั้งนั้นหรือของชาติเราทั้งนั้นลองคิดเหราเนี่ยมันจะกว้างออกไปว่าเราเคารพเคารพตัวชีวิตอ่ะโดยชีวิ ต, วว ต, ตสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็คือคนสัตว์สิ่งคนทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งนะมีชีวิตอย่างพืชเดี่ยมันก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งเมื่อเราเคารพ ชีวิตของ ก, กันและการการไม่ร่วงละเมิอกันก็เกิดขึ้นปัญหาจากรรมมันจะยุติไม่ใช่ยุติหรอกคือบรรเทาลงบรรเทาลงจางคลายลงลดความรุนแรงลงในขณะเดียวกันกถ้ า, ากว่าเข้าถึงธรรมะเรารู้สึกว่า ในโลกเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมีของเราของพวกเราของแผ่นดินในส่วนสังคมก็มีเรากับพวกเราแล้วก็ตลอดทั้งชาติเราผู้คนก็อยู่ในจุดที่ตัวเองควรอยู่โดยไม่ล่วงล้ำก้าเกินสิทธิของคนอื่นแล้วก็ของชาติ คือการมองโลกมองชีวิตถ้าหากว่าเขาถึงความจริงที่สมบูรณ์ก็เป็นความสมบูรณ์พร้อมของศีลสมาธิปัญญาก็จะมองจากความเป็นเราเป็นเขาและยอมรับนักปืนกันได้เป็นเรากับพวกเราของเรากับของพวกเรา และเอือเฟือเปลือผาอบอ้อมารีทั้งสึ่ต่อกันด้วกันแต่พอก็เราเข้าถึงความจริงที่สมบูรณ์ในโลกนี้ไม่มีทั้งเราทั้งเขาทั้งของเราของเขาเป็นแต่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็แตกสลายไป ไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆเราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆและเราก็ไม่ได้มีตัวตนอย่างที่เข้าใจกันจริงๆแต่จิตพัฒนาขึ้นไปอยู่ในจุดนี้ได้มันก็กลายเป็นการมองสัพชีชิตด้วยความกรุณาต่อกันก็จะทำประโยชน์ต่อสังคมด้วยพลังของความกรุณา ไม่ได้คิดหาคำตอบว่าเราจะได้อะไรจากการกระทาแต่พ่ายามที่จะตอบว่าเราจะให้อะไรเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นความเกื้อกูลและเพืความสุขแก่บุคคลทั้งหลายตลอดถึงแก่สัตว์ทั้งหลายมีประการหนึ่งจะต้องพยายามทาใจของตัวเองให้ยุ่เหนือเหตุการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้น ก็ใจในคติของธรรมดาและในกรณีของความแก่ความเจ็บความตายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เป็นจุดย่อยที่ถ้าเราทำความเข้าใจและก็ยอมรับความจริงได้เพราะมันเกิดขึ้นก็มีปัญญารู้เท่าทันทำความเปจริงว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็ต้องแปกดับไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่พระเจ้าส่งสอนให้มองว่าเอวังธรมโมเอวังภาวีเอวังอนัติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพลความเป็นอย่างนี้ไปได้ ปัญญาติรู้ท่าทันในลักษณะนี้เราก็ยกจิตเราเหนือเหตุการณ์เหล่านั้นผู้สังเกตเช่นสมมุติว่าเราเดินไปเจองูไปกัดเขียดเขียดก็ยังไม่ตายหรอกมิ่นกระเดากระเดาอยู่ในปากของงูแต่เราก็เห็นว่าเป็นกรรมของสตัตว์ที่มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ถ้าเราไปช่วยเขียดก็ต้องตีงูมันก็เปลี่ยนผู้ตายแทนแทนเดคือแทนที่เขียดจะตายก็งูตายแต่ที่นี่ีนี้ถ้าเราไปช่วยเขียดมันงูมันจะยอมคลายหรือเปล่าถ้างูยอมคายก็เป็นการทำลายอาหารของมัน งูก็ถูกเบียดเบียนในขณะที่เขียดถูกช่วยเอาไว้แต่เราช่วยเขียดมุ้งช่วยเขียดเราก็อาจจะตีงูคือข้างงูแต่ก็ช่วยเขียดพู้เหล่านี้เขาเรียกว่านอกวิสัยที่เราควรจะทําอย่างไดอย่างหนึ่งนอกจากทําใจเป็นอุบเบกขาวัฏจักรหลายในโลกมันก็เป็นคอมันอย่างนี้แหละ ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้เขียดก็กินสัตว์อื่นงูก็กินสัตว์อื่นวันหลังงูอาจจะถูกสัตว์อื่นกินวันนี้เขียดก็ถูกงู ก, กินแล้วก่อนหน้านั้นเขียดก็กินสัตว์อื่นมันเป็นวงจรของอาหารวงโซ่ของชีวิตของสัตว์โลกเราก็ทำใจอยู่เหนือเหตุการณ์ หรือแม้แต่สถานการณ์ต่างๆในบ้านในเมืองที่มันเกิดอะไรขึ้นก็ช่างเถอะคือเราจะต้องตั้งคาถามว่าแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรเราเราจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรเรื่องเป็นอันมากถ้าเราอยู่ในจุดที่เราควรอยู่คือเมื่อเราไม่มีภารากิจที่รับผิดชอบ ไม่สามารถจะทำอะไรได้ถกเถียงไปพิตกกังวลไปกรุ้มไปก็ป่วยการก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้แล้วและถ้าถึงแก้ปัญหาที่ไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะแก้ได้มันก็กลายเป็นการสร้างปัญหาให้ยืดเยื้อต่อไป ยานันก น, นี้ที่พยายามจะแก้ปัญหารเรื่องเขาพระวิหารจนถึงคิดจะแย่งึ้นปราสาทเขาพระวิหารนะ่ะไม่ใช่เขาประวิหารเขาพูดถึงปราสาทเขาประวิหารมันเป็นสมบัติของเขาทำกฎหมายมันเป็นสมบัติของเขามาตั้งนานแล้วสองพนร้อยห้าเพราะเมื่อเราเป็นมิติรัฐเนี่ย เราเป็นประชาชนของนิติรัฐกฎหมายว่ายังไงก็คืออย่างนั้นส่วนปัญหาข้อเท็จจริงก็เป็นข้อเท็จจริงในมิติของประวัติศาสตร์แล้วก่อนศูนย์ห้าใช่เป็นของเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเป็นของใครเราเป็นเหตุการณ์ที่เราเกิดไม่ทัน สถานการณ์เช่นนี้ควรทําใจอยู่เหนือเหตุการณ์ต่างๆอย่าไปแบกโลกเอาไว้โลกเขาไม่ได้มีให้แบกจะก็มีให้เหยียดเห็นที่อิงอาศัยท่านที่นี่ที่เรายุ่ง น, นียคือเราไปโจรเข้าสู่สถานการณ์ที่มีความรุนแรงแล้วก็เพิ่มความรุนแรงขึ้น ยัง ก, การสังเกตข่าวคราวต่างๆอย่างในกรณีของพันธมิตรก็แสดงว่ามีเครือข่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอยู่ทุกจังหวัดหรือไม่เนี่ยไม่รู้แต่เรสรุปว่าก็มีกระจายอยู่ในส่วนจังหวัดอื่างๆจะถามมนฑปปกรณมีไหมเขาก็มีแล้วเขาก็กระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ปัญหาสำคัญว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องตั้งหลักให้ดีคือตั้งสติระ ล, ลึกรู้ถึงความจริงแล้วบางครั้งเราก็ตอบไม่ได้ว่าทะเลาะ ก, กันไปเพื่ออะไรแล้วมันได้อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประเทศชาติจะได้อะไรเมื่อคนก็ทะเลาะ ก, กันในบ้านในเมือง คราวหนึ่งที่มีข่าวคราวเรื่องพระหนังสือพิมพ์หันมาเล่นเรื่องพระกันแรงไหมก็เรียกว่าไม่เคยหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์หลายเดือนนักข่าวมาที่กุฏิมารู้สึกจอยากจะเจ็บสำนักกันนะก็ถามเธอว่าพอหลืได้หรือยัง พระบวนารนี้เรามาทะเลาะ ก, กันต่อหน้าพระประทานจากการน่าร่มแล้วนะตัวหมูบูชาก็กำลังเอียงกระทางทูกก็กำลังเอียงดอกไม้น่ร่วงแล้วเราจะเอากันให้พังหมดเดแล้วเราคิดว่าเราได้อะไร คือมันต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำเราเล่าเส้นนมันเป็นข่านการกล่าวหาเฉยๆแต่เราเป็นสื่อแต่เราเป็นสารเราเป็นสื่อแต่ทาตัวเป็นสารคุณคิดว่ายุติธรรมหรือเปล่ายุติธรรมต่อคนที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่า เพราะมื่อตอนเขาผ่านกระบวนการพิสูจน์ทดสอบตามบทบัญญัติของกฎหมายถือว่าไว้ด้วยเรื่องนั้นนีน้ก็รู้สึกว่าดีนะฮะมันก็สาลงไปเยอะเวลา น, นี้ก็หายไปไปมีข่าวก็เป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อก่อนไป ด, ดูข่าวอะไรเนี่ยเป็นรายงาน เรื่องคนปลอมบวชทั้งผู้หญิงผู้ชา ย, ยเีอมเภอแก้คนคอจังหวัดชจยอภูมิมามารู้มาสิบกว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็เคยคุยกับสารวัตรใหญ่บอกท่านยังไงช่วยว่ากล่าวตักเตือนห้ามปลามรัศดรกันได้ไหมมาเป็นการทำลาย พระพุทธศาสนาที่เป็นองค์รวมแล้วก็เป็นการทำลายถึงรากงาวของพุทธศาสนาที่เดือก็ไม่น่าเชื่อปรากฏว่าไม่เลิกเพราะใดเพราะว่าการปลอมบวตแล้วถ้เดินขอชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านจะรำคาญหรือจะศรัทธาก็ตามะเขาก็มีส่วนหึงเขาก็ให้ แล้เฉลี่ยแล้วมันก็ดีกว่าที่เขาทำนาเขามองมาที่ตัวเงินอย่างเดียวเขาไม่น่ามองเรื่องบาปบุญไม่ได้มองเรื่องสถาบันศาสนาไม่ได้มองเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในกรนี้ก็ยังมีอยู่ฟังผู้ใหญ่บ้านผู้ก็กล้องแกร้มแต่แน่นอนไม่ใช่คนระดับผู้ใหญ่บ้านจะไปดําเนินการ แต่ยังน้อยในเขตหมู่บ้านของท่านเนี่ยมันก็ควรจะห้ามปรามในขณะที่โทรทัศน์ก็ถ่ายภาพคนที่คลุมหัวหรือโกนหัวนะหัวล้านแล้วก็เดินคลุมเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นในขณะเดียวกันหน้าบ้านก็ตากีว อ, อนตากเครื่องแต่กายของแม่จีพอเสร็จหน้านาก็หายไปจากบ้าน เราถึงฤดูทำนาฤดู เ, เก็บข้าวเก็บเกี่ยวก็กลับมาก็ทําทำฤดูไปอย่างไงในกรณีอย่างนี้เราทำใจหิ่เหนือเหตุการณ์ไม่ได้มันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเพราะอการทําใจอยู่เหนือเหตุการณ์เนี่ยมันตามสมควรแก่กรณีอย่างมีท่านพูดถึงเรื่องลิงสามตัวที่ปิดปากปิดตาปิดหู แล้วก็บอกว่าปากเป็นปูหูตะกล้าตาตะกแกรงปากไม่แพ่งหูไม่อาตาไม่เห็นเป็นหลักฐานนำให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราวป่ะการทาใจอยู่ในเหตุการณ์ก็คือในบางคราวมันต้องมองไปที่ประโยชน์ว่าถ้าชีที่ถูกต้องนี่คืออะไรที่จะยุติปัญหาลงไปได้ ในบางการณีก็ต้องทำใจหรือไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญแก่เรื่องแถวนั้นก็จบกันประการต่อไปก็คือพยายามหาเหตุหาผลในเรื่องดถวนั้นเป็นการศึกษาในรูปของการสืบ ส, ส, สารประการมองสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยมันยึดโยงอยู่กับอดีตอ น, นาคตปัจจุบัน น่นเนี่ยาอนาคตมันไม่เกิดหรอกแต่ปัจจุบันเนี่ยมันโยงกับอดีตแล้วก็ส่งไปสู่อนาคตในการต่อไปเพราะในอดีตมันก็เป็นบทเรียนทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนไม่ดีมีส่วนควรเว้นแล้วก็ส่วนควรประพฤติมันก็มีการศึกษาเอาหาเหตุผล เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับอะไรอย่านี้เทียามศึกษาวหาเหตุผลโดยการให้ความสนใจศึกษาแล้วก็สังเกตพอเข้าถึงเหตุที่ก่อเกิดผลในกรณีนั้น เหตุมันก็มีอยู่สองเหตุเหตุที่ควรเว้นก็เหตุที่ควรประพฤติี่ศาสนาเรียกว่าปหานะภาวนาหรือวาละชั่วประพฤติดีละตัวเหตุแห่งความชั่วแล้วประพฤติตัวเหตุแห่งความดีเราก็มีผลเป็นความสุขวัจนธรามในแนวนี้เราต้องใช้ทุกบัน มีเรื่องเยอะถ้าเราไปวิ่งหาเดียก็าไปกระโดดเข้าไปหาแล้วนี่มันจะมีปัญหาได้ตลอดทีนี้ลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่าในหลักการการตัดสินวินิจัยและความขัดแย้งต่างๆบางเรื่องนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ เป็นปัญหาความคิดเห็นหนึง่งตัวสำคัญที่สำคัญก็คือข้อมูลต่างกันหรือมีความต่างกันเรามีท่าทีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้นนั้นแตกต่างกันในขณะเดียวกันไอเราไม่เข้าถึงเจตนาหลงของเรื่องต ร, ง, รงนั้นดูขาดความรอบรู้ในภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนั้น ถ้าเป็นอย่างนี้แน่นอนมันก็ต้องขัดแย้งกันเมื่อขัดแย้งกันมันก็ต้องศึกษาหาเหตุผลกันก่อนแล้วค่อยหาข้อตกลงบางอย่างเป็นเรื่องที่มั น, ม, นมันลึกเกินไปเจ้าที่นิยมลทัทธิระบบความเชื่ออุดม ก, การณ์ในด้านต่างๆของคนแตาตัดสินอะไรเอาง่ายๆไม่ได้ เพราะพื้นฐานความคิดในเรื่องเหล่านี้มนุษย์มันจะต่างกันมนุษย์ทำยังไงอย่าให้ขัดแยงระดับอุดมการณ์ถ้าขัดแยงอุดมการณ์แล้วก็เหมือนกับสมัยคอมมินิสต์แล้วก็ประชาธิปไตยที่ต่อสู้กันจนผ่าโลกออกเป็นสองซี่ได้นะฮะนี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของมนุษยชาติที่ผ่าโลกเป็นสองซีก แต่ ก, ก่อนเราก็ไม่ถึงกับผ่านโลกคนสองสิทธที่คนเชื่อชาติพอพันเดียวกันเนี่ยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายร ก, กันเองอย่างในกนันีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เกาหลีเหนือเกาหกลีใต้แต่จีนใต้วันจีนแต่ด่ใหญ่มองเกาหลีนอกมองกาหลีในอะไรต่างมงั น, นมก็มีเยอะแล้วก็แสดงให้เห็นว่า มันเป็นความขัดแย้งระดับอุดมษการซึ่งถ้าเราไปทําความเข้าใจกับตัวบุรุษการไม่ได้หรือประนีประนอมกับตัวบุรมษการของแต่ละฝ่ายไม่ได้เออทั้งหมดจะยากทั้งหมดในอย่างหนึ่งคือระบบความเชื่อความเชื่อโดยปกติแล้วเนี่ยเราจ ะ, ะลดความขัดแย้งด้วยการหาเหตุผลคือใช้ปัญญา ความเชื่อตามปกติแล้วเราให้ความสําคัญแก่แหล่งข้อมูลกับผู้ที่มาของข้อมูลแล้วมาที่มาของข้อมูลหรือว่าตัวข้อมูลจริงจริงมีความน่าเชื่อถือเราก็เชื่อถือวิธีแก้ไขก็คือต้องพยายามเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นจริง ให้อีกฝ่ายหนึ่งก็เข้าใจและค่อยหาทางประนีประนอมกันเรื่องผลประโยชน์เป็นปัญหาปูเขาเลยการขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์เป็นปัญหาที่แก้ไขา ย, ยากที่สุดในโลกมนุษย์จะมีการนิยามว่าการเมืองก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน ยังในกรณีที่สารใดสารรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ตัดสินว่าหนังสือของกระทรวงต่างประเทศข้าองค์ประกอบของสนธิสัญญาเมื่อข้าองค์ประกอบก็ข้าองค์ประกอ บ, อกอบแต่เขาไม่ได้ตัดสินว่ามันผิดเพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญนี่บอกว่า มีลักษณะเป็นสนที่ปัญญาก็สนที่ปัญญาก็นําเข้าสู่จีประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนแล้วฝ่ายกฎหมายคือฝ่ายกฤษฎาฎิกาฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายนิติกรฝ่ายกระทรวงต่างประเทศเขาก็ทํางานเหล่านี้มามืออาชีพทั้งนั้นเขาก็มีความรู้ทางกฎหมายเขาก็เข้าใจผิดไม่ได้ไม่ใช่เ้าใจผิดคือเข้าใจไม่ตรงกัน เมื่อเข้าใจไม่ตรงกันคือมันเป็นความเข้าใจไม่ตรงกันมันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดประกอบอัจจักรรมปอชาตธรรมชาติสูญเสียอิสระเสรีภาพอะไรอย่างที่กล่าวหากันยันติงก็บอกว่าให้รัฐบาลหล่าออกขนาดด็อกเตอร์นะความคิดความอ่านความคุณอะไรมันเป็นชอบอะไรชอบกนอะไรคือเหตุผลละเออ เป็นความคิดจากนั้นมันเป็นความคิดแบบฆ่าชั่วเจ็ดฆ่าฆ่าเจ็ดชั่วโคตอย่างสมัยโบราณฆาก้าชั่วโคตรจากของจิตรกรรมใดใครก่อคนนั้นรับกรรมไปเดียวการจะเป็นกรรมมันต้องมีเจตนาที่เป็นทุติยดิจิงควรแก่การลงโทษแต่ละคนมีความรักชาติไม่มีใครยิ่งย่อนกว่ากันเรกแน่นอนเราก็ไม่ม่งมาตวัด ในแ ง, ง่ของความจริงก็ต้องมียิ่งหยอดแต่ว่าเมื่อมันมีมาตวัดก็สรุปว่าคือไม่มีความยิ่งหยอด ก, ก่็ไั้แต่ทีนี้ถ้าเราไปตั้งตัวเป็นผู้พักษาที่เกินมูลกรณีไปมันก็มีปัญหาเราเอาเฉพาะที่ศาลก็ตัดสินแหละศาลตัดสินว่ายังไงมันก็สมนั้น แต่ส่วนใครจะฟ้องร้องอะไรอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของศาลต่อไปศาลมีนิจัยแต่ดสิงนะแต่ดีๆ ท, ที่มันมันยุค ม, มากเนี่ยคือเราเราก้าวกระโจนข้ามกฎเกณฑ์ต่างๆเผลความขัดแย้งในเรื่องนี้เรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องการเมืองเรื่องผลประโยชน์เนี่ยเรื่องความเชื่อเรื่องนิยมเรื่องความคิดเห็นแต่ละอย่างเนี่ย ก็จัดว่าเป็นปัญหาภูเขาทีเดียวแก้ยากมากๆแต่ก็ต้องพยายามแก้สถานการณ์บ้านเมืองของเราเวลานี้มีปัญหาเหล่านี้อยู่ตลอดแล้วค่อนข้างมากแล้วก็มีการขยายความรุนแรงออกไปแบ่งแยกประชาคมในโลกออกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขา เคยร้องเพลงสามกีชุมนุมกันก็เลิกร้องแล้วหรือไม่เอาแล้วเดในลักษณะของผลประโยชน์ขัดกันก็บรรยายได้เสียได้ครั้งหนึ่งเป็นจะดีเราก็ถือว่าเราก็ค่อนข้างจะวิกฤตนะแต่ถ้าอย่าให้จิตมันวิกฤตแล้ววิกฤตต่างๆ่งนี่เราแก้ได้แต่ถ้าจิตวิกฤตทุกอย่างก็จบ ทุกอย่างก็จะวิกฤตตามไปท่านฝังทั้งหลายจึงทำจากหมาเมตไต ร, รสีปทุมประจำบรนจันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาพิงเทนีที่สุดที่ขอความเจริญงอกงามไยบูรณนธรรมจะยมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสมเด็